ในเมล็ดพืชที่ยังมีชีวิตอยู่คือเอาไปเพาะแล้งอกได้นั้นก็แปลว่าเมล็ดพืช น, นั้นยังมีวิญญาณอยู่วิญญาณซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้เมล็ดพืชออกรากทำให้เกิดลำต้นตลอดทั้งกิ่งใบดอกและผลมีข้อพิสูจน์ง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมายังมีความหมายก็แปลว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากวิญญาณ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 วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปซึ่งได้เป็นปัจจัยมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิคำว่ารูปก็หมายถึงร่างกายหรือหมายถึงธาตุทั้งสี่ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายธาตุทั้งสีในความหมายของพระพุทธศาสนาก็ได้แก่ของแข็งของเหลวความร้อนและแก๊สต่างๆส่วนต่างในร่างกายซึ่งมีทั้งส่วนที่แข็งเช่นกระดูเนื้อหนังต่าง ของเหลวเช่นโลหิตน้ำเหลืองแก๊สต่างๆเช่นธาตุออกซิเจนและความร้อนในร่างกายทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของวิ ญ, ญญาณทั้งสิน้นการเปลี่ยนแปลงของมันทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจความหมายของวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาลึกซึ้งถึงขนาดนี้